ชอบพุทธเราไม่แสวงหาบนนอกอุตส่าห์สมายถึงนอกกายนอกใจของเราทำทานก็ทานภายในอภั ย, ยทานก็ไปมรรคผลนิพพานรากักหลาศีศีนก็กายวาจาใจของเราปกติก็ไปมรรคผลนิพพานจิตปกติ ยิ่งกล่าวถึงตัวภาวนามีความรู้สึกตัวมีสติมีสามัญ ญ, ญาเกิดบุญกุศล น, นมาความฉลาดรู้จักตัวเองเห็นตัวเองว่าจิตใจมันว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแต่ว่าจะต้องฝึกฝึกจิตฝึกใจ ผิเดเติมแท้กระใจเที่ยวพัดสอนผ่องใสอันเดียวกันใจว่างจากความหมายความเป็นตัวตอ น, นอันเดียวกันธรรมชาติเดิมๆธรรมดาธรรมชาติมีธรรมะที่เป็นกุสอลธรรมอากุซลธรรมมีปัญญาเราหยิบ ม, มาใช้เป็นทานศีลพอนา น, นั่นแหละปัญญาเรื่องทานให้ทานอย่างถูกต้องได้บนได้เวลทั้งสองฝ่ายควงขวาง เป็ประมาณเป็นอาภัมัญญาหรือศาสนาศีลกันเหมือนกันชาวพุทธก็ไปไม่เป็นมงคลตื่นข่าวแต่ว่าเชื่อกรรมกรรมดีคดีกรรมฐานทำให้เหนือดีเหนือชั่วเชื่ อ, อยิ่งมามีการกระทํายิ่งชัดเจนเดินโยกลมนั่งจ้างชงวัดมันจะมีเกณฑ์ชี้วัดขณะต่อขนาด เป็นรูปแบบชิตที่เป็นเคยบองวอัยไหลมันไม่ประเสริฐไปสู่ความเสื่อมบางทีไม่อยากกลัดก็กรัดไม่อยากเครียดก็เครียดมันไม่อยากกังวลก็กังวลเราฝึกมันให้ปกติรู้สึกตัวมันก็ปกติกลับมาสู่ปัจจุบันก็ปกติ รู้กายรู้วินารู้จิตรู้ธรรมนะเห็นความคิดเห็นความปรุงแต่งก็กลับมาคืนสู่ปกติถ้าเห็นธรรมิตาในแต่เห็นมัเป็นปัญญาปัญญามเกิดจากตาในดูดูแลเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นตาสติจะมีสติก็ต้องเป็นสติพฐานการกรู้ ความจริงที่มังปรากฏเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเป็นนามการเคลื่อนการไวตะะระหลักเนี่ยก็ต้องเจตนาสั่งกายทั้งหัวจรวดเท้าเดินจงกรมนั่งสร้างชวาูดูลมหายใจถาดน้ำถาดไฟถานดินทานลมในตัวกเป็นกายจนเห็นเป็นอาการต่างๆรูปโรคนามโลก กลายเป็นโรคมากมายทั้งไวรัสทั้งแบคทีเรียทั้งการเสียสมดุลของธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมต่างๆมันก็จะมีปฏิกิริยาแสดงออกมาทันทีกระทบร้อนกระทบหนาวปรากฏขึ้นมาเป็นอาการเป็นโรคทุกข์เป็นนามทุกข์ จิตใจเป็นโล่ะโลภหลงโกรธหลงโลภหลงหลงหลงรักหลงชังหลงเครียดหลงกังวลหลงอิจฉาหลงริษยาหลงสุขหลงทุกข์รักษามีเรื่องเดียวคือจิตตภาวนาทางตะวันออกจิตตาวิยาเป็นทางตะวันตกมันก็ใช้อยู่ ได้นถึงพีิกถึงขิ ง, ง, งรักษาโรคจิตโรคใจหายได้กับวิชาของพระเจ้าพุทธาคือจิมันรู้ตื่นรู้ตื่นเบิกบานมันประเสริฐ ต, ตรงนี้แหละมันก็จะเป็นยีวิเทียมีความพาสุขเป็นสุขเสรมสารสุขที่เกิดจากนะเราไม่ต้องยิงว่าตัวหนึ่งสองสามบางคนหนึ่งสองสาม ทำการน้อมจิตน้อมใจของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงข้างในเคยออกไปข้างนอกอันกลับมาข้างในไปข้างนอกครับมาถูกการมาตัวกรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆการปรุงการแต่งเฉพาะตัดกลับมารู้ตัวรู้สึกตัวเห็นอาการที่ตัวของกายของจิต เป็นอาการเห็นการกระทบสัมผัสผัสะต่างๆทางตาทางหูเกิดความรู้ได้เป็นธาตรู้ะรู้ถูกก็ว่างทำเกิดการปล่อยการวางเป็นสติปัฏฐานตรู้ยึดมีอวตานมีตัณห า, าจะมีผลเป็นสุขเป็นทุกข์ เป็นความพอใจความไม่พอใจในะเรื่องในจิตใจเราเราต้องกลับมารู้สึกตัวที่ปัจจุบันแกได้เป็นปัญญาต่างคนต่างธรรมรูปโรคก็ต้องฉีดหอมอมตาผ่าตัดอยู่ยาต่างๆหลายแขนงวิชาตามศาสตร์ทางความเชื่อของแต่ละประเทศของแต่ละบุคคลศรัทธาคือความเชื่อ เขาว่าเราว่าความเป็นจริงมีอยู่แอจิตใจเนี่มันจริงๆรเวลามันโลบมันโกรธมันหลงมันทุกข์อันนั้นมันไม่จริงแต่ว่ามันกลับมารู้สึกตัวมันปกติเออมันเป็นความจริงระหว่างของที่มันหลงเรามก็มีผลประยาข้างเคียงกับรู้ แล้มีผลพยาค้างเคียงแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเผ อ, เอไปกระทบสัมผัสกาลมมันก็ไปกาลมต้องมีความรู้สึกตัวมันตัดขาดทันทีมันก็แยกกันตรงเนี้ยรู้สึกตามก็เป็นสัจธรรมรู้สึกหูมัเป็นสัจธรรมมันก็แยกกันเลยโปรตีค่อยพุ่งทยานออกไป จิตหลงบองทีเขาหลงรับอารมณ์เข้ามาบอกว่าเนี่ยคือเขาว่าเราเขาไม่พอใจเรามันก็รับเข้ามามันก็ทั้งขึ้นทั้งร่องออกไปกระทุกเข้ามากระทุกตรงนี้จึงให้รู้ซื่อรู้สึกตัวรู้สึกตัวตัดทันทีก่อนที่จะรู้ซื่อให้รู้สึกกายฝึกสติให้มัน เห็นกายวางกายมันก็จะได้เห็นอารมณ์ซึ่งเป็นนามธรรมเรืงวางอารมณ์เป็นกฎรรของกรรมฐานเป็นกฎรรของธรรมชาติเวลาเจตนาคิดดีเจตนาพูดดีเจตนาทมดีอันนี้มันก็เป็นหน้าที่ที่ต้องเจตนาทำให้มันถูก ถ้าทำแล้วก็ต้องทําอยู่นั่นแหละต่อเนื่องเพราะหน้าที่มันแตกต่างกันไปครับแล้วก็ทําหน้าที่กับรถเป็นครูทําหน้าที่ครูเป็นหมอทำหน้าที่หมอเป็นพระทําหน้าที่พระเป็นแม่ชีทําหน้าที่แม่ชีบาจกทาหน้าที่ของบาจกบาจิกาเขาทำหน้าทีขาาาทาท่ของอุบาสิกาต้องทาอยู่ตลอดกับตัวเองกับการที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับตัวเอง จนตั้งไปเรื่องของบุคคลจนถึงชุมชนจนถึงสังคมจนถึงนุชาทั้งโลกสัพพะสัพพ ส, ส, ส, สิ่งในประมาณมันก็เป็นหน้าที่แต่ละขณะเป็นบุญเราเลือกได้เป็นความดีงานทำให้งามเราเลือกได้และไม่ทำแบบงมงามลรืวงง่โงหลง ง, งม ง, งาย ทำแบบเชื่อวุแล้วเราก็เสีย อ, อกเสียใจไม่น่าทํำเลยเทําแบบดีวุก่ก็ต้องตทางสติอดีวุ่นดีเข้ามาก็ทําอันนั้นไม่ต้องร้องขอจิตอาสาอยู่ละเห็นอะไรไม่ดีะคุณธรรมก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาเป็นคุณธรรมภายในที่มันหันกลับมาเอาคุณธรรมในตัวเราไม่ใช่เรื่องว่าคุณต้องทําฉันไม่ทําไม่ใช่มันก็จะ เรียกว่าปิดทองหลังพระพอสมควรทีเดียวทำแล้วมีความสุขอยู่ลึกๆอยู่ภายในของเราเรารู้ตัวเราเองอันนี้เราก็คือสภาวะที่สติสมาธิปัญญามันก็จะรู้ว่าทำดีคิดดีพูดดีไปสวรรค์นานกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็จะชื่น ชมเราก็จะสรรเสริญเราเราจะภูมิใจในผลงานที่เนี่กี่วันกี่เดือนกี่ปีมันจะรู้หรือว่าทําไปวางไปทําทั้งวันมันไม่ได้ทําอะไรมันจะรู้รู้ว่าไม่ได้ทําทั้งวันแต่เมือเหนื่อยเหนื่อยแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยผลงานก็นมีแต่นหนักหัวมีเห็นได้ชัดเลยมันแบ่งตรงนีนะ้คิดเชื่อพูดชัวช่วทำเชื่อจะตกนรก ทุกใจกี่วันกี่เดือนกี่ปีสวรรค์นในอกนรกในใจมันก็จะเห็นอยู่ในตัวเราจะคิดจะพูดจะทำแบบมีอาคติทำเพราะรักทําเพราะกลัวทําเพราะมีภัยหรือว่าทําเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต้องทําทําเพราะไม่มีใครทําทําด้วยปัญญาทําแล้วก็งานเกิดความให้งามขึ้นมา เป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมเป็นลักษณะของอยู่ภายใต้กฎกติกาหรือว่าข้อตกลงร่วมกันมันก็จะรู้ทําล้วสุขทำแล้วทุกหรือว่าทำแล้วอยู่เหนือสุขเหนือทุกตะโกบองค์เป็นยังไงถ้าเพียงแค่คิดเราทุกอย่างเดียวเป็นยังไงหรือว่าสุขอย่างเดียวเป็นยังไงแค่แล้วระบบความคิด เรียกว่ามโนกรรมมโนกรรมกรรมดีกรรมชั่วกรรมรอหันก่อนที่คิดออกมาจะลงมือกระทำกรรมไม้กรรมมือกรรมหัดกัดฟันมันเป็นปริยาของนามธรรมมหารูปธรรมแต่กรรมฐานอยู่เหนือทั้งหมดเหรือการคิดการปรุงเป็นดีเป็นชั่วเหนือทำธรรมดาธรรมดานี่แหละเป็นอาการกริยา มันไม่ด้ยึดเป็นสมมุติว่าเราทําดีหรือทําไม่ดีทําเป็นหน้าที่เฉยๆเขาจะว่าดีก็ได้เขาจะว่าไม่ดีก็ได้นั่นมือเรื่องของคนอื่นถ้าเราทําดีก็คนที่ก็ติระหว่งใจเขาพูดว่าดีมันไม่มีทางหลายคนเลยบอกว่าทำชั่วได้ดีมีถมไปทําดีได้ดีมิที่ไหนแล้วก็เลยไม่อยากทําดีคันพอทําดีก็ทุกข์ ทำดีทั้งน้ำตาไม่ต้องทำด้ความรู้สึกตัวเป็นอาการกิริยาทำไปเฉยๆรับผิดชอบไม่เกี่ยวคนอื่นจะว่าดีไม่ดีไม่เกี่ย ว, นน ว, ยวในโลกนี้คนทำอะไรทุกคนนะคนก็มีความคิดต่างๆนานากันไปดีบ้างไม่ดีบ้างก็จึงใช้ระบบของสังขาบ้างประสงค์ทุกรูป มีควาเห็นร่วมกันตกลงร่วมกันคานเสียงเดียวก็ไม่ได้อะไรเงี้ยใช้หลักของสมังคีสามัคคีธรรมที่เป็นสมังคีใช้หลักของอภายนิยธรรมประชุมหนึ่งนิดมาพร้อมกันเลิกพร้อมกันไม่อยากใหญ่ ทางใครเป็นผู้นําก็เชื่อคนนั้นไปเลยในขณะนั้นๆแล้วคนที่มีศีลยังไม่มาขอให้มาคนที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขเราก็สนับสนุนกันมันก็เป็นกติกาเป็นระเบียบวินัยกฎหมายเป็นธรรมมเป็นวินัยเป็นพื้นวินัต่างๆมากมายออกมาเป็นการแสดงออกเราก็เห็น มันพฤติกรรมเดียวกันว่าจึงเป็นเรื่องของใครของเราละ่ะที่จะต้องกลับมารู้เรามารู้เราก็รู้เขาเห็นเราเห็นเขาจริงเดียวกันเป็นรูปธรรมนามธรรมเป็นรัตถุทาการธรรมะเป็นสมมุติต่างๆมีการบัญญัติกันมากมายขึ้แล้วแต่ความเห็น แล้วแต่ความคิดที่มันจะมีแง่มุมมันก็คือความคิดทั้งหมดแต่ถ้าเป็นความบริสุทธิ์เวทนาบริสุทธิ์สัญญาบริสุทธิ์สังขารบริสุทธิ์วิญญาณบริสุทธิ์มันเป็นธรรมชาติเป็นอาการคื อ, อยาเฉยๆอันเนี้มันพร้อมที่จะรับผิดชอบมันเป็นอาการที่พร้อมผิดหรือถูกก็เหมือนเดิมสภาวะของการรูจ้จืดๆรู้ ล, ละเม่ค่ะ ให้ตรงนี้เรามันเหมาะจากการเห็นกายหเห็นเวนาหเห็นจิตเห็นธรรมที่มีอยู่ในตัวเรารูปธรรมนามธรรมขันธ์ห้ามีอยู่ในตัวเราบางอยไตไปตามระดับขั้นตอนของธรรมของตาในจากอยากไปหาละเอียดจากความที่ไม่เคยว่องไวเลยไปหาความว่องไวจากสัญชาตญาณเป็นสติปัฏฐานขึ้นมาเพราะนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเดินทางกันลจะจากพุทเรา ทานก็ไปนิพานนพานศีลก็ไปนิพพานภาวนาก็ไปนิพพานถ้าทำถูกถ้าทำไม่ถูกยึดติดมันก็เป็นพบปูมทั้งหมดมันก็อย่าเสียเวลาละแล้วทายสุภาษสนงงตัวเองศรัทธาตกไปเลยก็มีความเชื่อเรื่องศาสนาว่ามันมีมรรคผลนิพพานก็ไม่เชื่อคนที่จะไม่รู้มรรคผลนิพพาน มันก็มีอยู่มีเกณฑ์ชีวิตเลยหนึ่งก็คือไม่จ่าทิติยังไงก็ไม่มีทางก็คือไม่เชื่อมิจ่า้าเป็นสัมมาทิติมีความเห็นถูกเห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกเก้าล ง, งจากความทุกเราจะพาเดินทางตั้งแต่เรามีความเชื่อเบื้องต้นแล้วนะและเราก็มีปัญญาพอที่จะเห็นว่าการปฏปบัติธรรมกรรมฐาน ฝึกจิตฝึกใจของเราจริงๆมันฝึกมันฝนมันฝืนฝจริงๆ จ, งๆจึงเกิดขันติเกิดตะบะเกิดมาเกิดความเพียรขึ้นมามีรสชาติของธรรมรสขณะปฏิบัติมีพิติมีประสติกายโลตาจิตตาโลตามีความสุขเป็นนิรามิสุขไม่เกี่ยววัตถุหนึ่งของสาบุคคลหนึ่งสามเกี่ยวกับกายใจของเราที่เรากลับมารู้เราเห็นเราเห็นสุข เห็นภาวะของความเป็นปกติมากลับมาเป็นการศึกษาวิชาวุาสาหะที่ใช้กายเป็นเครื่องมือใช้ใจเป็นเครื่องมือมีสติสมาธิปัญญาเป็นลนัษณะของเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นแบบเรียนที่มันมีอยู่แล้ว ตั้งแต่แบบเรียนกอเอ๋ยกอไ ก, ก, ก, ก่กนะการเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นกายเนี่ยอนุบาลพอเห็นเวฒนานี่ก็ยับขึ้นมาเป็นปฐมพอมาเห็นจิตเออมัตยมพอเห็นธรรมชาติอุดมศึกษาเรียนจบตรงนั้ลถึงทาหน้าที่แล้วก็เข้าใจนรกสวรรค์มีจริง นรกเป็นทุกข์เป็นบาปเป็นความมืดเป็นความโง่สวรรค์เป็นความฉลาดเป็นความสุขเป็นบุญเป็นการทําดีจะทามันผ่านตลอดดีก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอานืสุขเนืทุกข์ทุกข์ก็เห็นมันสุขก็เห็นมันภาวะผู้ดูมันเห็นทั้งหมดภาวะความรู้สึกตัวมันก็รู้สึกทั้งหมด อะไรก็ได้ทิ่ปรากฏหยาบสุดก็รู้ก่อนบาทีกรู้อาการของกายบีรู้อาการของจิตบางทีก็รู้จักสติรู้จักสมาธิปัญญามันก็เห็นทำลงมือกระทำรูปธรรมรุมลงมือกระทำทำดีคิดดีพูดดีลงมือกระทำมีการกระทำลงไปจริงๆจะกวาดบ้านเห็นว่ามันดีก็กวาดจริงๆ หยิบไม่กว่าจริงๆมีความรู้สึกตัวจริงๆรู้ทำแล้วก็จิตปกติรู้ทำแล้วก็มีปัญญาจะทำอะไรก็ตามจะขับรถจะดับไฟจะกรองน้ำจะใส่เสื้อผ้ามันก็มีสติมีปัญญามันก็เป็นธรรมาชาติ ก, การดำรงชีวิตต่อไปจะทำให้สุขมัก็ง่ายจะทำให้ทุก ข, ข, ขออ์มันก็ยาก พอมานรู้ละยิศาภาพนะถ้าเป็นทกติดถ้าเป็นความสุขก็เป็นความมืดสีขาวก็ยิ่งไปกันใหญ่ถ้าทําเป็นชาธรรมชาติธรมธรมดาๆเกี่ยวข้องเป็นหน้าที่หน้าที่ต่อตัวเองประโยชน์ตนหน้าที่ต่อผู้อื่นประโยชน์ท่านหน้าที่ต่อญาติหน้าที่ต่อโลกเป็นผลพวงเลยล่ะเราเดินบนดินเราเดิ่มน้ํา เราใช้ไฟเราอาหารต่างๆมากมายเครื่องนุ่งหม่มก็ได้มาจากธรรมชาติได้จากความดีมันก็จึงเป็นความดีที่เชื่อมโยงจากเขามาเราจากเราคืนคืนกันสู่ความเป็นสมดุลประโยชน์ตนประโยชน์ทานก็สมดุลอันนี้ก็ไม่เป็นหนี้เดียวว่าไม่ต้องใช้หนี้กันอิสระภาพ ใช้กายใช้ใจอย่างเป็นเจ้าของเขาเดี๋ยวก็หมดสภาพไปตามอายุไขมาจะมีวัยต่างๆที่ทำให้เราได้ผ่านมาแล้วก็ได้เรียนรู้โลกว้างโลกข้างนอกโลกข้างในไปประจัหนึ่งสามสิบ 1, ปีแล้วก็เรียนรู้ศึกษาจนกระทั่งวิชาความรู้มันอยู่ในตัวเราแล้วก็ทำมาหาเงิน เสร็จแล้วเราก็เข้าวข้ฤหัสทำงานทำการอาบเงื่อต่างน้ำเก็บเงินเก็ บ, กบทองกันเดยเก็บหอมรอมลิดหามากใช้น้อยประหยัดเสร็จมันมั่งคั่งขึ้นไปพอที่จะหาอยู่หากินได้ได้ทำประโยชน์จากการหาทรัพย์มาได้เช่นแบ่งทรัพย์เป็นห้าส่วนส่วนที่หนึง่งเราก็มาดูแลรักษาตัวเรา อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วยชาติพี่น้องอีกส่วนนึ่งก็ปลีช่วยสํนานักชีพรามณ์หรืว่าช่วยเสียภสษ่ยากอหรือว่าช่วยเหลือสังคมชุมชนต่างๆแบ่งเป็นส่วนเป็นส่วนดูแลพ่อแม่อุปการะละเรียกว่ารู้จักใช้รู้จักหา เกิดประโยชน์ขึ้นมามีทรัพย์กรหัสรู้จักที่จะซ่อมแซมกลุ่พันธ์ที่มันขมคลาให้ดีทั้งเดิมไม่ให้มีขะยะหรือว่าพยายามหาอะไรมันขายก็หาเข้ามาเติมเต็มเข้าไปให้มันสนบูรแบบอย่าให้ติดให้ขัดเป็นความสะดวกในการดารงชีวิต รู้จักที่จะของหายก็หาคืนมาหาไม่เจอแล้วก็แล้วไปเข็มเล่มเดียวก็ต้องรักษากันกระดุมเม็ดเดียวก็ต้องรักษามันขนาดนั้นการปฏิบัติธรรมพอเขาสู่ใบ ว, วานผลัดก็ับใบไก่กรเซียนหมดเรี่ยมหมดแรงบางทีก็โรคหลุมแล้วทํางานมาตลอดใช้ธาตุขัน บางทีก็ทำงานจนเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเสื่อมเกิดความเสื่อมขึ้นมาระบบต่างๆตรงนี้ก็ต้องมีสีมีธรรมละเวลาแก่ก็สนุกแก่แลลวเจ็บก็สนุกเจ็บละจนทั้งท้ายสุดใบสัญญาสีก็คือวัยที่ต้องมีธรรมะเท่านั้นเตรียมตัวตายอย่างเดียวเลยเป็นลมโพลุ่มใส บอกลูกบอกหลานแต่ว่าไม่ใช่ห่วงลูกห่วงหลานมรดกหรือว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเราผ่านมามีอะไรแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันให้ได้ยินได้ฟังแต่ว่าจะเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งมมีคำถามถามมาแล้วตอบเท่าที่รู้รักษาร่างกายให้สะอาด แล้ก็รักษาจิตใจให้มันบริสุทธิ์มีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญามีคุณธรรมมีคุณภาพแก่ๆอย่างมีคุณภาพเฉลี่ยได้มากเป็นผู้ใหญ่ใจดีดยพระวันนี้รู้สึกว่าเริ่มฉลองวันเด็กแล้วุ่งนี้เป็นวันเด็กเป็นวันเด็ก ประจำปี2556ก็ได้รับของจากผู้ใหญ่ใจดีใจดีก็พาไปเที่ยวพาดูการประกอบอาชีพต่างๆของผู้ใหญ่บางทีไปนั่งเครื่องบินเล่นกันไปนั่งเรือตาเรือกองทัพเรือฐานทัพเรือไปนั่งเครื่องบิน ไปนั่งเรือไปกี่รถถังมันเด็กเราก็ผ่านมาแล้วว้พวกนี้จกรังมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วสิ่ต้องดูตอนนี้คือดูแลกายใจของเราได้ว่าจิตใจร่างกายกให้แพทย์ได้ดูไม่สบายปวดหัวตัวร้อนก็แพทย์ก็ดูแต่จิตใจต้องดูตัวเอง เวลามันมีโรคจิตเกิดขึ้นมาต้องดูแลรักษาด้วยปัญญาต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากความรู้เนื้อรู้ตัวสติสัมปชัญญะแบบพุท ธ, ธะเป็นปัญญาที่มันพัฒนามาต่างจากสัตว์เลี้ยน้นต่างจากคนต่างจากบุตุชนทั่วไปมันเป็นสัตว์ประเสริฐที่ต้องฝึกแต่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงบางทีเขาไม่ได้ฝึกแต่เขาก็ทุกน้อยกว่าเราก็ได้นะ เข้มแข็งกว่าเราก็ได้อย่างไก่นอนในหน้าหนาวไม่มีพระมสักผืนเวลาหากินก็ไม่ต้องมีเตามีเตาแก๊สไม่ต้องอยออไฟฟ้าก็โง่แค่ไหนก็โง่แค่นั้นไม่มีเรื่อง โ, กกโรคจิตโรสาระสาทฆ่าตัวตายไม่มีอยู่ไปวันๆหากินอิสระภาพมามีปีก มีเล็บมีปากจะงอยปากจิกเอาจเจอแบบสัตว์กินขี้ปีนอนทุกแค่ไห น, นทุกแค่นั้นไม่เคยคิดกระโดดน้ำตายหหมาแมวไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยกินเหล้าแต่มนต้องันโง่ลึกกว่านั้นเขาสมองนะมาห้ามหันกันแล้วก็เอามาฆ่าตัวเองกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับ มันก็เเป็นเรื่องที่เราบางทีก็ต้องฝึกต้องหัดกันถึงจะเป็นสัตว์ประเสริฐไม่งั้นก็เป็นเพียงแค่มนุษย์เดรัจฉานนมนุษย์สเปโตรางเป็นมนุษย์ใจจิตเป็นอาคติสัตว์เดชานร่างเป็นมนุษย์แต่ใจโลภเมาเป็นเปรตเป็นสัตว์นกไปอาศุลกายมนุษย์เทโวมนุษย์เทโวก็เป็นจิตใจดีงาม เป็นเทวดาก็มีเทวดาสูงๆูงปะลัดนิมิตเริสวัสดีชั้น6เลยชั้นที่หกิ์เยอะคิดปรับได้มาทันทีคิดปรับสําเร็จทันทีมีเิลิดเนีกระเบียบมันเหมือนมหาเศรษฐีนะอยากได้อะไรก็นิรมิตเอากันซื้อเอาก็มาทันทีจะทำอะไรก็นินมิตได้ปุ๊บปั๊บปั๊บ ป, บปบนะแต่ว่าท้ายสุดการจะทุกข์ก็ได้เพราะว่า มันมีฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมีฝ่ายค้านตัวนี้เราจึงต้องทําหน้าที่อย่างมีสติมีกรรมฐานทํางานกักรรมฐานหุวงเข้ากรรมฐานป่าดานกรรมฐานก่อสร้างกรรมฐานจะทําอะไรก็เป็นกรรมฐานให้มัตั้งแต่ตื่นจนหลับจะกูเหยียดเคลื่อนไหวจะแปลงฟันล่างหน้าเป็นกรรมฐานได้หมด มันก็จะเป็นเรื่องของทุกคนไม่ว่าจะอยู่เพศใดอายุขนาดไหนทำกิจการงานอะไรจะเกิดจังหวัดไหนประเทศไหนจะนับถือศาสนาใดก็ไม่เกี่ยวเมื่อเกี่ยวว่าเรารู้สึกตัวเป็นไหมเจ็ดพันล้านคนจะรู้สึกตัวเป็นกันนั่นไหมถึงจะเป็นคนคนเดียวกันจิตใจที่เป็นปกติจะมีแต่สันนิษฐุกสันนิพัท มันจะเป็นเรื่องของความเอือเฟื้อเฟื่อแผ่การทำหน้าที่เป็นประโยชน์เพื่อคนหมอมากต่อไปมันก็เห็นอย่างนั้นมาเริ่มต้นที่ก้าวเดียวแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวที่เดินไปอย่างมั่นคงก้าวเดียวก้าวเดียวก็คือจิตปกติแล้วก็มีหลักที่จะเป็นเกณฑ์ชีวัดชัดเจน ก็คือเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกตัวโยคะแสดงว่าเดินทางแล้วโศการพ้นทุกเป็นทางที่ระว่ามมะผลเราเกิดความเย็นใจเรวันนิพานขึ้นมาอิสลับผ้มันเกิดขึ้นจะแบบชั่วคราวจะแบบตลอดไปครับดูที่เราวเวลาเจอโจทย์เจอเข้อสอบจิตใจมันวันไหวอย่างไรกลับมาได้ไวเท่าไหร่หรือว่ามันไม่ทุกอย่างไรขณะที่กระทบ หลพ่อได้เทศไว้ว่าอารมณ์สุดท้ายนะที่เราจะได้เห็นกันกันปฏิบัตก็คือเห็นขันหน้าขันห้าขันห้าเดีนหันหน้าให้กันอันนี้ก็คือปุถุชนคนทั่วไปร่วมกันปรุงแต่ว่าขันห้าที่มันหันหลังให้กันเหมือนกันเลิกงานที่ต่างคนต่างไปอันนี้ก็มันไม่ก่อทําให้เราสุขเราทุกภพชาติเลือวัตตาสงสาร สังเกตะวัดมันเกิดไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วภนาะวะสุดท้ายคือการเห็นขันท่าที่มันแตกออกจากกันก็เหมือนกับแก้วแตกหลวงพเขียนท่านเทศน์อย่างนี้นแก้วแตกแตภาวะของท่านหลวงพุเทียนบอกเชื่อขาดท้ายสุดแล้วเชื่อขาดถ้าบอกว่าท้ายสุดแล้วถึงที่สุดแล้วยานย่อมมีมันก็จะขนส่งมันก็จะทุกได้ยากแล้วไม่ทุกเลย หรืท่านท้าทยว่าใครก็ตามทาอยู่สามปีอันนี้เป็นตัวเลขของหลวงพ่อเกษนะท่านทำอยู่ประมาณสองปีกับแปดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนระหว่างนี้ก็เป็นตัวเลขว่าสามปีถ้าใครทําอย่างต่อนเนื่องนะถูกต้องและต่อนเนื่องทุกจะลดเหลือไม่มีทุกเลยอย่างกลางสองปีก็เป็นตัวเลขของภรรยาของท่านปฏิบัติธรรมกระกไหนเป็นโยมนี่แหละ เก็บไ้ายหรือว่าบางทีเลี้ยงหมูให้ข้าวหมูรู้สึกตัวเก็บป้ารู้สึกตัวตอนหลังก็เข้าใจตนะโกนบอกกัะหลงปุตยเนามันเหมือนกันหลุดนะอะไรมันมันหลุดออกไปมันหลุดโล่งเลยจิตนี่มันเบาบิ้วขึ้นมาเลยกะหลงปุติยนก็รู้แล้วเกิดอะไรขึ้นส่วน หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันของตัวท่านเองท่านทำอยู่วันสองวันท่านก็กใจายสภาวะตั้งต้นจนจบก็เลยว่าตอนเป็นโยมท่านก็มีบุญบารมีผสมควรทําทำความดีความงามมามากเป็นผู้นำชุมชนแล้วก็ทอดกระถินทอดรปาอยู่เป็นประจำ่า่ท้ายสุดมันยังกรอดอยู่ท่านก็เลยต้องศึกษาศาสนาโดยการปฏิบัติลงไป แลท่านก็ทำอยู่สองวันท่านก็ใจทั้งหมดเลยของศาสนาแล้วก็สอนมาสองปีครับแปดเดือนสอนเรื่องการเดินไเห็นว่าคนไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ถ้าบวชจะได้ประโยชน์มากกว่า น, นี้คนเห็นบ้าเหลืองการพูดธรรมะสนธนาธรรมดูมีน้ำหนักท่านก็ตัดสินใจบวชแล้วก็มันมีอยากศึกยู่ทีนก็ตอนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งคนนั้นก็มองคนนี้ก็มอง ใส่เหลือสั้นนิดเดียวพะชันเข้าไปก็ถึงกระเพาะเลยฉันเข้าไปก็ถึงกระเพาะเลยฉันได้ทีละน้อยๆอชันทั้งวันก็มีการจอดกันหาว่าท่านเนี่ยโอไม่ใช่พระแล้วอะไรทําไมพระอะไรกินข้าวทั้งวันก็มองไปเลยอันก็คือมีแพระก็มานั่งฉันกับท่านด้วยบอกว่าผมก็ป่วยเหมือนกัน ผมก็ปวดท้องเหมือนกันเกลยฉันกันก็ดูไม่ดีแต่ว่าตามพระวินัยแล้วพิสูจนสามารถที่จะฉันเดนไมาถึงว่าของเหลือจากพิสูจนที่ป่วยนั่งฉันร่วมกันได้เลยฉันเดนของพิสูจน์ไข้วันนี้พระสงฆ์ลงปฏิโมกขงยาได้ยินได้ฟังนะวินัยบัญญัติข้อนี้กันอยู่ฉันร่วมกันได้แต่บางทีมีพระมากๆ ก็หิวอ่ะนะพระก็เหมือนโยมแหละโยมไม่ได้ทานข้าวตอนเพลิตอนเย็นมันก็หิวถ้าเราฝึกความสึกตัวเราก็เห็นความหิวก็มไม่เป็นไรหลวงเทียนก็เลยบอกอยากฝึกก็ไปหาหลวงพ่อเขียนถามว่าผมจะฝึกดีไหมหลวงพ่อก็บอกว่าผมว่าหลวงพ่อไม่ควรฝึกหรอก พอถ้าสึกในลูกศิทธ์ลูกหาจะคิดยังไงแล้วก็การสอนเนี่ยจะสอนกันยังไงต่อไปแต่ถ้าหลวงพ่อจะสึกก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อกำเขียนท่นพูดอย่างนี้ถ้าจะสึกก็ไม่เป็นไรผมก็ยังจะไหว้ ย, ยังจะกราบท่านอยู่เหมือนเดิมถึงจะใส่ชุดโยมก็ตามพระก็จะกราบอยู่ก็คือความศรัทธาที่มีอยู่ในตัวหลวงพ่อะที่หลวงพ่ อ, ขอเขียนท่านมีอยู่ ในตัวหลวงพ่อเทียนจะเป็นโยมเป็นพระไม่เกี่ยวกเกี่ยวอสภาวธรรมข้างในแต่ว่าข้างในเป็นพระจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวเครื่องแบบไหนๆก็ตามเราก็เลยไม่ต้องเลือกเครื่องแบบเปิดพระก็ได้เป็นจีก็ได้ชุดสีอะไรก็ไม่เป็นไรขอเพียงว่ามีความรู้สึกตัวก็แล้วกันหลวงประเทียนก็ไปถามเจ้าคณะจังหวัดเลยไปถามเจ้าคณะจังหวัดว่าผมอยากศึกเจ้าจังหวัดก็บอกว่าไม่ต้องหรอก ก็ประพฤติอย่างที่ท่านประพฤติเนี่ยแหละปฏิบัติอย่างที่ท่านปฏิบัตินี่ยแหละนผมจะปกป้องจะคุ้มครองท่านให้อย่างนั้นนะหลวงพ่อเทียนก็เลยไม่ได้สืบจนทั้งวาร์สุดท้ายก็ตายอยู่ทั้งทั้ที่นุ่งผ้าเหลืองห่มผ้าเหลืองนั่นแหละนกี่ยวกการน้อมจิตมีสติทําอยู่ข้างในซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าท่านทําอะไรของท่านแล้วก็ไปแบบไหนแต่ก็เชื่อกันว่าเมื่อท่านมีสติประธานเต็มที่เต็มรอบ ท่านก็คงจะเห็นมรณภัยแล้วก็มีมรณะสติเกิดขึ้นมาด้วยก็คือเกินสู่ธรรมชาติหลายคนที่ดูท่านอยู่ก็บอกว่าท่านไปด้วยความสงบท่านวางไม้วางมือสองข้างแล้วก็ท่านก็ทําข้างในของท่านแล้วก็รู้สึกว่าเอาผ้ามาคุมที่ใบหน้าด้วยเดึองผ้ามาคุมเรามีสติพร้อมที่จะตายแล้วก็มีคนก็บอกว่าเออ ทันก็พูดด้วยอันนี้ได้ยินจากอาจารย์สมใจทรายฟังว่าคนที่อยู่ ใ, ใกล้กระดิ่งนะเออมันเย็นขึ้นมาแล้วปลายเท้าเ ข, าข้ามาเรื่อยๆเย็นขึ้นมาแล้วอ๋อมันขึ้นมาถึงบริเวณ ล, ลิ้นเลยจะพูดตรงกันสภาวะตายเนะี่ยเหมือนกับอาจารย์พุทธทาสซึ่งท่านก็สามารถใช้ไวยสัญญาเสียงนั่นก็คือประมาณเจ็ดสิบถึงเก้าสิบปีเนะี่ยไว้สัญญาเสียงได้อย่างงดงามนะล้วก็ สมควรเอาเป็นแบบอย่างพอพึ่งปฏิบัติตามถึงท่านจะไม่อยู่ก็ตามทั้งต่อหน้าและรับหลังเราก็พยายามนิยานั่งเดินเย็นนอนมีความรู้สึกตัวใส่ใจเห็นกายเคลื่อนไหวหเห็นใจนึกคิดตรงนีน้จุดปฏิบัติท้ายสุดนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านก็เรียกว่าดำเนินรอยตามตามรอยบุคคลที่เราให้ความเคารพสัตยาแล้วก็โดยเฉพาะพ่อแม่ครูอาจารย์ใดๆก็ตาม หรือจกระทั่งถึงนนนะบรมาศาสดาองค์สมเด็จสัมสมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้เราได้เหมือนกับว่ามีสติปัญญาตามสมควรแก่การนิบัติแล้วก็สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานก็จงปรากฏบังเกิดในวันชาตินี้โดยทุกนากันทุกขันทุกคนทั้นเตอ